อ๋อปฏิบัติเลยนั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงคือว่าให้กระดูกสันหลังมันตั้งฉากกับพื้นให้กระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้นเนี่ยปรับการท่านั่งให้มันเกิดการสะายะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทํา เมื่อนั่งคูบันลังตั้งกายให้ตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าคําว่าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้านะี่อย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าเดื๋ยวบุ๋มมารู้สึกที่ใบหน้าตัวเองนะหน้าของเราเนี่ยหน้าเบื้องบนเป็นหน้าผ่ารู้สึก ด้านซ้ายเป็นแก้มซ้ายรู้สึกด้านขวาเป็นแก้มขวารู้สึกด้านล่างเป็นคางรู้สึกเ <ier> นื้อคางเป็นปากรู้สึกเ <ier> นื้อปากเป็นจมูกรู้สึกเ <ier> นื้อจมูกเป็นตา <ier> สองข้างซ้ายขวารู้สึกเ <ier> นื้อตาเป็นค <ii> ิ้วซ้ายขวารู้สึกคิ้ว <ier> ซ้ายรู้สึกคิ้วขวาลงมาที่จมูก <modified> รู้สึกที่จมูก ใช้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ากระตุ้นให้จิตไปรู้สึกที่จมูกทีนี้ความรู้ที่ช่องจมูกเนี่ยหายหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจออก และปล่อยลมให้ใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นตรงปลายจมูกลองหายใจออกหายใจเข้าดูว่าเรารู้ได้ตรงไหนที่มันสบายสบายแต่มันอยู่ไม่ลึกนะมันจะอยู่ช่วงปลายๆที่ลมมันกระทบที่มันรู้สึกได้จริงๆ รู้สึกได้จริงๆเบาๆชัดๆหลวมๆนะเนี่ย น, นะไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งนะมันเป็นบริเวณที่มันรู้สึกได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะวรู้ก็จะรู้อยู่ ตรงที่นิมิตนิมิตคือตัวที่ตั้งของจิตรู้ที่มันรู้สึกได้พอรู้ที่ตั้งที่จะรู้สําหรับเฝ้ารู้ลมหายใจแล้วก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นหายใจเข้า ลมที่มันมันครูดตรงปลายจมูกเข้าไปเป็นลมปกติแต่เราเฝ้าดูรู้การครูดของลมที่ปลายจมูกนั้นลมเข้าเฝ้ารู้นิ่งๆของลมเข้าที่จุดนั้นที่มันรู้สึกได้ จนสุดลมข้าวไม่วอกแวกไม่วันไหวไม่วิ่งไปข้างในไม่ออกไปข้างนอกเมื่อลมหายใจออกก็รู้รู้ตรงที่จุดนั้นไม่วิ่งตามลมออกไปไม่ปล่อยให้เกิดความสงสัยไม่กดไม่เพ่งไม่เล็งไม่จ้องไม่บังคับอะไร คอยคว้าวรู้อยู่ตรงนั้นตามความนานของลมที่เรียกว่าลมยาวตามความนานของลมเข้าเรียกว่าลมเข้ายาวตามความนานของลมออกที่เรียกว่าลมออกยาว เราพอรู้คาบริกรรมที่เราเคยทําประจํามันโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปตกใจนะให้กลับไปที่นิมิตคือที่ตั้งของลมที่ตั้งของจิตรู้แล้วก็กลับไปรู้ลมตามความยาวตามความนานของลมเข้ารู้ลมออกเข้ารู้ลมเข้า จะไปตั้งใจในการบริกรรมคำบริกรรมใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามันมีคำบริกรรมโผล่มาเพราะว่าเราเคยเราเคยทําประจำเคยบริกรรมเวลาอื่นแต่ถ้าวันนี้วันนี้ไม่มีการบริกรรมแค่ความรู้อยู่ตามความเป็นจริงเฉยๆ Mm-hmm. ยกจิตรู้ไปที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึก ช, าชา้าๆขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกเด้วค่อยๆ ย, ยกมือขวาขึ้นเลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่เข่าข้างขวา ยกจิตกลับมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นและเลื่อนมือซ้ายมาวางไว้ที่เขาข้างซ้ายให้จิตรู้สึกยกจิตขึ้นมารู้อยู่เฉพาะใบหน้าแล้วก็ประหกหน้านิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิ ในขณะที่เราออกจากสมาธิให้สังเกตมันยังมีความนิ่งอยู่ความนิ่งนั่นแหละเป็นอุเบกขาที่เป็นฐานวางจิตรู้ที่ว่าจิตรู้อยู่กับอุเบกขานี่แหละพอเราออกจากสมาธิเราก็จะมีความนิ่งความนิ่งนั่นแหละคืออุเบกขาเป็นฐานสำหรับเป็นที่อยู่ของจิตรู้ ซึ่งเข้าไปอ า, อาศัยนิมิตอาศัยที่กังกู้จิตรู้เพื่อรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าทีนี้ตลอดระยะเวลาที่เรานั่งมานี่มันมีสภาวะที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอตอนนี้ทุกคนจะไปทุระส่วนตัวหรือไปห้องนงห้องน้าก็ไปให้เวลาสิบห้านาที ลกลับมาสนทนากันสนทนากันเรื่องสภาวะของการปฏิบัติวิปากฏอย่าลุกขึ้นทันทีนะถ้าไม่ถ้าขาขือมันยังไม่นั่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่าเสก่อนเปลี่ยนจากพับใช้เป็นพับฝาหรือเปลี่ยนจากซ้อนกว่าบางทีเราบรลังหนึ่งเนี่ยต้าไม่ขยับบางคนบรลังหนึ่งพอเลยสาิบนาทีเลยสี่ินาทีมันชาหมดแล้วชาหมดแล้วก็ปล่อยเลยตามเลย พอออกจากสมาธิจะลุกเลยมีหวัวความทิ่มหน้าเลยนะเพราะคข้างล่างมันไม่รู้สึกบังคับไม่ได้